วันนี้มีสองงานชนกันนะอันหนึ่งก็คือมาจองอยู่วัดครึ่งปีนะมกลาถึงมิถุนาคนไหนเคยอยู่แล้วก็ให้คนที่ไม่เคยอยู่เขาลงจองก่อนนะเหลือแล้วค่อยถึงพวกที่เคยอยู่ แต่ไม่เคยเหรอสักปีเลยนะหลายปีที่ผ่านมาอีกงานหนึ่งวันนี้หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อสุจินเดินเพื่อสจิกาเนี่ยนะพระสุจินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลก่อนหลวงพ่อสองปนะีท่านเข้าไปหาหลวงปู่ดูลนะก่อนหลวงพ่อสองปีนะรู้จักกับท่านมานานเปนะ็นพระ ที่ดีองหนึ่งะสะอาดเดือนนิมนต์ท่านวันเกิดท่านเราก็จะส่งน้ำท่านหลังจากหลวงพ่อเทศรอบสองประมาณก้าโมงครึ่งขอแนะนำว่าใครที่จะลงทะเบียนนอย่าเพิ่งมาส่งน้ำท่านไปจองฉี่ไว้ก่อน คือส่งน้ำท่านกลับไปไม่เหลือแล้วละใครคิดว่าไม่มีสิทธิ์สมัครอยู่วัดแนละ้วก็มาส่งน้ำท่านตามอัธยาศัยไม่บังคับนะเรื่องอย่างนี้บังคับกันไม่ได้หรอกรุ่นครูบาอาจารย์ผู้หลับผู้ใหญ่เนะมื่อสามสิบ กว่าปี40ปีก่อนนะครูบาอาจารย์เยอะนะแต่ละองคนะ์นหลักแหลมคำสอนแต่ละองคนะ์นั้นลึกซึ้งประณีตมันรุ่นหลังก็ลดลงไปเรนะื่อยๆถดถอยลงเป็นรุ่นๆไปอย่างหลวงปู่ดูล น, นะท่านเคยบอกเลยว่าในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะไม่มีใครได้อย่างหลวงปู่มั่น ในเรื่องการรักษาทุ ด, ดงควัตไม่มีใครได้เท่าแต่เรื่องของจิตใจนีมีที่ตามครูบาอาจารย์ไปได้มาในรุ่นหลวงปู่ดูล น, นรหลวงพ่อก็พูดเลยว่าไม่มีรู้สิษย์หลวงปู่ดูลย์งไหนได้อย่างหลวงปู่ดูลหรอกความรู้ความสามารถท่านลึกล้าอัศาจรรย์เลย บีการปฏิบัติเนี่ยท่านแหลมคมมากนะสะกิดเรานิดเดียวเราก็เข้าใจแล้วอย่างการไปเรียนกับหลวงปู่ดูเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปขอเรียนกรรมาฐานไม่ใช่นะอย่างเราเข้าไปหาท่านไปบอกหลวงปู่ครับผมอยาก เรียนกรรมฐานมันอยากปฏิบัติอนะไรเงี้ยหลวงปู่ไม่พูดด้วยหนะลับตาเงียบๆไปบางทีเป็นชั่วโมงนละถ้าคนซึ่งไม่เคยไปนะคือไปเรียนใหม่ๆหลวงปู่หลับตาเงียบไปอะรงี้นะหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกนะวันที่หกกุมภาปีสองห้าไปถึง พวกพระพวกอะไรก็บอกแน่ยท่านกำลังฉันข้าวอยู่เข้าไปได้เลยนะมีโยมมีหลายคนอยู่ในนั้นในกุฏิท่านหลวงพ่อตอนนั้นเป็นโรคบอดก็กลัวเหมือนกันแหละเราไม่เคยรู้จักท่านท่านเป็นเจ้าขุนด้วยเคยได้ยินนิทานประลปราว่าไปหาเจ้าขุนนะไม่พอใจเลยวเอากระโทนกว้างเอา แต่หลวงปู่ไม่กว้างนะหลวงปู่เป็นคนรักของรักษาของหลวงพ่อรีรออยู่รีรออยู่นอกกุฏิท่านพอท่านฉันข้าวเสร็จนะคนแล้วก็ออกโยมออกมาท่านเดินออกมาหน้ากุฏินไม่ชะโงกมองหลวงพอ่อหลวงพ่อไปซุ่มอยู่ทีอออ่อีกตึกหนึ่งเลยคล้ายๆปอดอย่างแรงเลยกลัวเหมือนกันนะยกแรกอนะ หลังจากวันนั้นไม่เคยกลัวใครเลยนะตั้งแต่วันนั้นที่ท่านมาฉ ง, งก็มองแล้วก็เข้าไปกราบท่านท่านก็นั่งกัวอีโยกอยู่หน้ากุฏิท่านอ่ะกราบท่านวาหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่เงียบเลยนะหลับตาเงียบไปเลยนานนะเกินครึ่งชั่วโมงจจะไม่ถึงชั่วโมงหลวงพ่อก็นึกโอ้หลวงปู่อายุมากแล้ว เก้าสิบห้าแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วนั่งหลับไปแล้วในใจนึกอย่างนี้นะหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่ท่านจะลืมตามาสอนเรานาะเพราะว่าเราต้องขึ้นรถไฟจอาตัว๋วไว้ละสิบโมงรถไฟจะออกจากสุดินกะลงมาโคราชไปแวะหาหลวงพ่อพุทธหน หลวงปู่ก็หลับตาเงียบเงียบอยู่างนั้นนานท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนนี่คำสอนของหลวงปู่ดูลนต่อลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่สอนสมถะหรอกหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งเด็กแล้วท่านไม่สอนหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดู ก, กายหลวงพ่อเคยดูกายแล้วรู้สึกจืดชืด จิตมันส่งสมาธิอยู่ดูกายลงไปเนี่ยทีแรกดูผมนะผมก็สลายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษาก็สลายไปเห็นหัวกระโหลกแล้วดูหัวกระโหลกหัวขาดไปเนี่ยดูลงมาในร่างกายเนี่ยเนื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกแล้วกระดูกระเบิดกลายเป็นกลวดเล็กๆใสๆกระจายตามพื้นดูลงไปอีกมันสลายตัว กายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นรู้เลยแสงไม่ได้เรียบๆอย่างนี้ยแสงเป็นคลื่นสลายตัวไปเนี่ตอนเด็กๆ ก, ก็ทําอย่างนี้ได้แล้วก็ขันมันแยกเลยเพราะว่าเราภาวนาจนร่างกายมันหายไปแนละมันเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายนะมันจะรู้อย่างลึกซึ้งในใจเลยว่ากายกับจิตโค้ดล้านกัน ร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนไม่เกี่ยวข้องกันขันไม่เลยแยกนะกายส่วนกายความรู้สึกสุขทุกข์ในกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ในใจก็ส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้ในใจก็ส่วนหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วในใจก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ผู้ดู นี่ปรากฏว่าพอมาถึงตัวจิตที่เป็นผู้รู้แล้วไปต่อไม่เป็นไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะทําไงจะดูก า, ก, ากายกายก็หายไปแล้วจะดูจิตก็ดูไม่เป็นจนมาเจอหลวงปู ด, ดุลท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองดูสิท่านรู้ประวัติเราขนาดว่าอ่านหนังสือมามากแล้วไม่ใช่หนังสือเรียนนะ อ่านหังสือมามากแล้วเนี่ยหมายถึงหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกอ่านตั้งหลายรอบนะแต่อ่านได้เฉพาะพระสูตรกับพระวินยัยอริีธรรมอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปปฏิบัติได้ยังไงมื่หนหลวงปู่รู้ว่าอ่านหนังสือมาเยอะแล้วต่อไปนี้แทนที่จะอ่านหนังสือนะให้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้เลย ท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองเราก็ไม่รู้จะอ่านยังไงนะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตตัวเองก็นั่งรถไฟจากสุรินนะเข้ามาโคราชนะระหว่างนี้หลวงพ่อก็ดูจิตมันต้องอยู่ในกาย น, ะนี่เป็นข้อแรกเลยจิตต้องอยู่ในกายนะี้เพราะนั้นถ้าเราจะดูจิตนะอย่าดูเกินกายออกไปไม่ไปดู ท้องไร่ท้องนาต้นหมากลากไม้อะไรหรอกต่อไปนี้การปฏิบัติเราจะวนเวียนอยู่ในกายนี้นข้อแรกเลยนะแต่ก่อนจะถึงตรงนี้นะหลวงพ่อสับสนหลวงปู่ให้ดูจิตเราดูไม่เป็นจิตเป็นยังไงไม่รู้อะไรๆไม่รู้เลยเกี่ยวกับจิตนะก็ทําอะไรไม่ถูกหลวงพ่อกลับมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ นี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนพอใจมันสงบมีสมาธิขึ้นมาสติพัญยาจะเกิดก็จะรู้ว่าเราจะเรียนจิตใจของเราเนี่ยก็อยากเกินกายนี้ออกไปจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดูไปดูไปนะไม่นานมันเคยแยกขันได้มันก็แยกจิตมันก็นเด่นดวงขึ้นมา กลับมากรุงเทพมันก็เห็นว่จิตมันรวมตัวแน่นเต็มหน้าอกเลยว่าเราจงใจจ้องเพ่งแน่นๆน่น้เพราะกำหนดจิตนะเพ่งใส่มันระเบิดเลยจิตมันระเบิดทิ้จริงใจก็โล่งว่างไปอีกวันหนึ่งมันแน่นขึ้นอีกแล้วเพ่งอีกมันไม่แตกอันนี้อุบายเดิมใช้ไม่ได้ก็ใช้อุบายใหม่กําหนดจิต น, นะ เหมือนเข็มเลยจิ้มมันมันจะหยุ่นหยุนนะจิ้มตรงนี้มันก็ฉลับนี้จิ้มตรงนี้มันก็ฉลับแต่จิ้มถูกจุดมันนะ่ะมันระเบิดเลยอีกวันหนึ่งจิ้มมันก็ไม่แตกทุบมันก็ไม่แตกนะกนําหนดจิตเหมือนมีดผ่าตัดนะเฉือนเฉือนเฉือนออกไปทีละส่วนนะเฉือนออกไปก็สลายตัวไปในสุดไอ้ตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาพอตัวรู้เด่นหลวงพ่อโอ้เนี่ยจิต คือผู้รู้นี่เองหลวงปู่ดูลบอกให้ดูผู้รู้เราจะจ้องไอ้ตัวผู้รู้ไว้ไม่ให้คลาดสายตาเนีย่ยฝึกอย่างเงี้ยสมเดือนขึ้นมาหาหลวงปู่ใหม่หลวงปู่บอกทำผิดแล้วท่านให้ดูจิตท่านไม่ได้ให้แทรกแสงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทํำจนจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหลือแต่รู้ตั ว, ตวอยู่เฉยๆท่านบอกทำผิดไปทํำไม่ หลวงปู่ไม่สอนละเอียดนะสอนคาสองคำนั่นนะแล้วก็ไล่ไปประทาเอาเราก็มาดูว่าทำไมมันผิดตรงไหนผิดตรงที่หลวงปู่บอกเราเข้าไปแทรกแสงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งงั้นถ้าจะไม่แทรกแสงก็คือปล่อยให้จิตมันคิดนึกปรุงแต่งอย่างที่มันเป็นแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อยๆเดี๋ยถึงจุดหนึ่งก็เห็น ตัวจิตผู้รู้เองอะ่นะ mm hmm. ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์องดูเข้ามาตรงนี้ให้ได้นะอย่าไปดูแค่ร่างกายเป็นปฏิกููนสุภาอะไรเงี้ย น, นะยังมีขึ้นมีปั ส, สนาจริงอะ่ะถ้าจะดูกายก็ต้องเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ได้ไอนะ้ดูจิตก็ต้องเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้เคยอ่านประวัติหลวงปู่จันเรียนนะ องนี้ก็สุดขีดองหนึ่งเลยนะหลวงปู่เนนท่านเขียนเราไว้ท่านคงไม่ได้เขียนนะท่านท่านเล่าไว้ลูกศิษย์ก็มาเขียนไว้บอกท่านเห็นกายนี้เป็นทุกข์เห็นกายเนี่ยเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆนะขยี้ลงมาในกายเน้งายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ในสุดจิตก็ปล่อยวางแทนที่จิตจะปล่อยวางกายนะจิตก็ไปปล่อยวางจิตงั้นในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะ ดูกายก็ได้ดูเวทนาคือสุขทุกข์ก็ได้ดูกุศลอกุศลคืจิตตานุปัสสนาก็ได้ดูรูปธรรมนามธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแสดงใจรักนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาก็ได้ดูอะไรหนึ่งก็ได้นะแล้วการปฏิบัติมันจะลงไปถึงจุดเดียวกันนะคือมันจะถึงจุดที่จิตปล่อยวางจิตได้ในครูบาอาจารย์ หลวงพ่อไปเรียนกับท่านหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะต้องบอกพวกเราเลยแต่หลวงพ่อเป็นคนทนอดทนครูบาอาจารย์บอกให้ทําเนี่ยทําไม่เลิกเลยไม่เคยต้องมาสั่งครั้งที่สองเลยหลวงปู ด, ดูลให้ดูจิตก็ดูไม่เลิกเลยท่านพ่อหลีสอนอานาปนาสติให้นะก็ตาอานาปนาสติไม่เลิกเลยตั้งแต่เด็กเครูบาอาจารย์สั่งคําเดียวก็ทนะําละไม่ดื้อพวกเราดื้อดนะอ มันไม่รู้เป็นไรนะคนรุ่นนี้นบอกว่าเอาเวลามาดูกายดูใจเยอะๆหน่อยมันก็ดูไลา์ดูเฟซเยอะหน่อยไม่ดูกายคนอื่นไม่ดูกายตัวเองเนี่ยค่อยๆสังเกตไปเห็นไปวันหนึ่งมันก็เข้าใจความจริงเข้าใจความจริงในเบื้องต้นก็คือทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้น สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดนะพอเหตุมันดับไปสักช่วงหนึ่งตัวมันก็ดับตัวมันมีเหตุคือกิเลสหรือกุศลนะเหตุเนี่ยมีสองอันนะราคาโทสาโมหะก็ได้อารโลพาอาโทสาโมหะก็ได้เหตุมีทั้งเหตุดีเหตุชัว่วนะมีเหตุมีการจะทํากรรมแล้วก็มีผลของการจะทํากรรมเรียว่าตัวบิบัก อย่างเวลาพวกเราภาวนานะใจมันแน่นไปหมดเลยบาทีหลังเครดคอเครสนะมีวิบากแล้วล่ะเพรนั้นบางทีจิตถูกนะไอ้ที่เครตยังไม่หายไอ้เครตยังไม่หายบางทีเครสหลายวันกปจะหายนี่นวิบากต้องชดใช้มันก็อยากโง่เองเพ่งมันแรงจนเพ่งภาวนาจนคอเครดหลังเครดอะไรเนี่ย้็ทำได้โลก อยากดีอยากปฏิบัติด้วยจ้องเอาจ้องเอาเครียดเครียดเอากรามเนื้อมันยอกไปแล้วเนะีก็ใช้เวลาละไม่ใช่ว่าพอหมดตันหาหมดความอยากปุ๊บวิบากดับไม่ใช่อย่างพวกเราเนี่ยขันห้างของเราเนี่ยมันเป็นวิบากนะอย่างเราได้หน้าตาเป็นอย่างเนี้ยมันมีวิบากเราหมดตันหาไปแล้วนะเป็นพระอรหรนะันต์แล้วร่างกายยังไม่ได้ตายทันที แต่ว่ามันไม่มีเชือ้อที่จะไปเกิดใหม่เท่านะั้นไร่างกายเดิมก็อยู่ไปจนหมดพลังของวิบากที่ให้ผลก็แตกสลายไปเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าพอเหตุดับแนละ้ววิบากมันจะดับทันทีนะมันมีอายุของมันเหมือนกันย้นเวลาภาวนาอย่าตกใจว่าทาไมอจิตมันแน่นไม่เลนะิกก็ไปเพ่งเอาไว้แล้ว ถึงเลิกเพลงมันกแน่นไปกี่ช่วงหนึ่งแหละหรือร่างกายเนี้ยยอกไปแนละ้วถึงไม่มีตันหาแลนะ้วมันก็ยังไม่หายยอกหรอต้องใช้เวลามันยังร่างกายของพระลนะหันเนี้ยพระละหันไม่มีตันหาไม่มีเหตุนะ่ะนแต่ร่างกายเป็นวิบากเก่าให้ผลมา บางองค์อายุยืนบางองค์อายุสั้นแล้แต่วิบากให้ผลงั้นเราภาวนานะสังเกตไปขั้นต้นมันจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถาวรร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเรา บางคนดูที่กายนะเข้าใจความจริงของกายนะก็ล้างความเห็นผิดไปบางท่านดูเข้ามาที่จิตเลยตรงๆเลยเห็นเนี่ยจิตไม่ใช่เราเพราะจิตไม่ใช่เราขันห้าจะไม่ใช่เราเพราะขันห้าเนี่ยเป็นผลผลิตของจิตเคยได้ยินไหมวิญญาณปัจจยานามารู ป, ปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป งั้นในตัวขันทั้งหลายนะี่อาศัยจิตดวงเดียวนะทำให้มันเกิดขึ้นมาปฏิสนธิจิตทำให้มันเกิดขึ้นนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปพอเราเห็นความจริงนะจิตไม่ใช่เรานะขันห้าที่เป็นผลผลิตของจิตก็ไม่ใช่เราโลกทั้งโลกที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ก็ด้วยขันห้าอายตนะหกอะไรพวกนี้ รู้ประทัานามันทำทั้งหลายทาให้โลกปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ว่าถ้าจิตไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่เรานะี่ยมันเห็นเนื่องกันไปหมดเลยนั้นแตกหักลงที่จิตดวงเดียวนี่นเองถ้าเห็นจิตไม่ใช่เรานะที่ไหนก็ไม่มีเรา ล, ละการภาวนาในขั้นต่อไปนะก็เฝ้ารู้เฝ้าดูมีสติรู้กายรู้ใจไปตามความถนัดถนัดอะไรก็เอาวั น, นั้นแหละ เพราะกายก็สแสดงไตรลักษณ์เวทนาก็สแสดงไตรลักษณ์จิตก็สแสดงไตรลักษณ์สุดท้ายมันก็คือเห็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเฝ้ารูา้เฝ้าดูไปนะถึงจุดหนึ่งนยจิตมันปล่อยวางกายมันปล่อยวางกายก่อนกายเป็นของดูง่ายอย่างความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเงี้ยปุถุชนก็ละได้ปุถุชนก็ละได้ แต่การที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นพลายะเที่ละได้นะปุถิชนที่ไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะงั้นถ้าเราภาวนานะอย่างหลวงปู่ดูลี่ยแหลมคมมากเลยเจาะเข้าที่จิตเลยชีย้ลงที่จิตดูลงไปจิตไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราโลกไม่ใช่เราเนะีนะ่ยเฝ้ารู้เฝนะ้าดูไปเรื่อย ถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยขันห้าไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรขันห้าที่ดูง่ายก็คือตัวรูปตัวกายมันจะเห็นนะกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่ารู้ทุกข์ละรู้อริยสัจลึกซึ้งขึ้นพอเห็นกายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่พวกเราเห็น กลายเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางกายเพราะนั้นครูบาอาจารย์สอนสอนมานะมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระนาคามีไม่ยึดกายแล้วแล้การปฏิบัติในขั้นสุดท้ายในสายหลวงปุ่มั่นที่สอนกันนะจะลงมาที่จิตวันหนึ่งก็จะเห็นนะจิตไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นมาตั้งแต่แรกๆ แ, แล้วแล้วจิตเป็นตัวอะไรจิตเป็นตัวทุกข์ มันเป็นตัวทุกข์ในลีลาที่แตกต่างกันบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นเรียกว่าทุกขตาบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์นะเพราะไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเรออนัตตาการที่เราเห็นจิตแสดงอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาผมใช้คำว่าหรือนะเวลาภาวนาจริงไม่ได้ไมารู้สามอย่างหรอกรู้อันเดียวเลย ดูอันเดียวก็ว่างแล้วจะเห็นอ น, นิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อ น, นาตตาก็ได้แต่การเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์ขันนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จิตมัจะวางจิตปล่อยวางจิตได้ม่นก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละแตกหักกันลงตรงนั้นเองนี่หลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนให้ โดยทั่วไปท่านไม่สอนหรอกเวลาเจอโยมนะท่านก็สอนให้ทำทานรักษาศีลท่านสอนแค่นี้แหละอย่างเก่งก็บอกให้ไปนั่งสมาธิแต่ที่สอนเข้ามาถึงธาตุถึงขันอนะไรเนี้ยท่านไม่ค่อยสอนท่านบอกสอนไปมก็ไม่ทำตอนที่หลวงพ่อบวชแล้วหลวงพ่อสอนใหม่ๆเนะี่ยมีครูบาอาจารยนะ์เจอหน้าท่านทวงนะว่า พมอสอนธรรมะเยอะเกินไปคารวะาทําไม่ได้หรอกสอนให้มันทําทานถือศีลให้มันทำตรงนี้ให้ได้ก่อนก็แล้วกันหลวงพ่อก็ไม่เถียงนะครับครับครูบาอาจารย์พูดว่าครับไว้ก่อนไม่เสียหลายครับครับเชื่อไหมว่าคารวะทำไม่ได้ไม่เชื่อหรอกเราภาวนามันได้เป็นโยมหลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งคารวะเนี่ย ถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆนะแล้รักที่จะปฏิบัติจริงๆฆราวาสไม่แพ้พระ ห, ะหะรอกฆราวาสก็ทําได้ในขั้นต้นๆ น, นะขั้นท้ายๆเนี่ยคราวาสซู้พระไม่ได้หอกวิถีชีวิตไม่ได้เหมาะการทมาในขั้นละเอียดจริงๆเพราะฆราวานยังเป็นผู้บริโภคกามอยู่บริโภคกามเช่นอะไร เช่นดูหนังฟังเพลงนะกามกุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสประทภนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเรายังใจหิวโหวยอยากดูโน่นอยากฟังนี่เห็นไหมอยากได้กลิ่นอย่างโน้นอยากได้รสอย่างนี้อนะไรเงี้ยใจมันดิน้นดิ้นดิ้นไปได้นะส่วนพ้าเลยไม่มีอะกามาคุณอารมณ์ไม่มีมีแต่การมโทษนะอย่างพระสมมติพ ร, พระอยากกิน ข้าวไข่เจียวอเงี้ยมันไม่มีอ่ะมีแต่ข้าวอย่างอื่นนะพระรุ่นหลังๆเนี่ยญาติโยมก็ปลนเปลืปลอหนักหนาสาหัสนะเช่นทําชีสอบผักขมผักขมมาอบชีสอะไรเงี้ยนะเราเห็นนะาคลๆชิมูกอ่ะเราเราคนแก่พระเด็กๆเขาโอ้ปลื้มอะไรเงี้ยนะพวกเราปลนเ ป, ปลืปลอยพระกันเยอ่ะ เนเปลือไปเรื่อยๆพระก็กิเลสมีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมันสู้ยากยางสมัยครูบาอาจารย์อยู่ป่าอยู่เขาไม่มีอะไระวันหนึ่งได้ข้าวเหนียวมาก้อนหนึ่งนะจิ้มกับพลิกเกลือก็บุญ น, นักหนาละมารุ่นเราเนี่ยของอยู่ของกินเยอะแยะผ้าผ่อนไปเนี่ยสบายกุฏิศ า, าลาอะไรเพียบพร้อมไปหมดนะเปิดก็ก็เจอน้าประปา ไม่ได้ต้องไปหาบมาเนั้นรุ่นครูบาอาจารย์นะท่านฝึกตัวเองเข้มงวดเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้เสร็จสุขหรอกเจ็บไข้ขึ้นมายาก็ไม่มีจะกินภาวนาเอารอดก็รอดรอรอรอไปไม่รอดก็ตายไปยุคนี้นะมีนิ้วดำๆไปหน่อยนิ้วมีเชื้อราอะไรอย่างนี้นะต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะ้นมันไม่แปลกนะที่ว่าความเข้มข้นของการปฏิบัติในรุ่นลูกศิษย์เนี่ยมันอ่อนกว่ารุ่นครูบาจารย์มันสุกไปมันสบายไปงั้นเราค่อยๆฝึกตัวเองนะรุ่นพวกเราหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นนะใครฝึกเข้มแข็งเท่าหลวงพ่อหลวงพ่อจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับอะพวกเราทํำไหม ของเราไม่ทําหรอกเนะตื่นขึ้นมาแล้วก็บิดไปบิดมาคิดน้นคิดนี่นะนานๆนนก็ต้องถึงการภาวนาทริงแล้วมาปฏิบัติเดี๋ยวก็เลิกละนะฉลับซ้ายฉลับขวาไปเรื่อยธรรมะไม่ได้ย่อหย่อนลงนะไม่ใช่ว่าธรรมะย่อหย่อนลงทุกรุ่นธรรมะก็ยังคงเดิมธรรมะอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะแต่ใจของพวกเราฮะมันไม่แข็งพอ ใจเราไม่เข้มแข็งพออยากได้ดีก็เข้มแข็งหน่อยนะอย่าขี้เกียจทุกวันต้องตั้ง อ, อกตั้งใจถือศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาภาวนาในรูปแบบต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมต้องทำแบ่งเวลาไว้เลยเมื่อก่อนหัดใหม่หลวงพ่อสอนขอวันหนึ่ง15นาทีดูสิต้องขอ มันก็รับปากนะได้ได้ไม่ทำหรอกทำบ้างไม่ทำบ้างพวกที่ขยันทำตั้งแต่ตอนนั้นนะวันนี้นั่งสมาธิเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งเนะี่ยเรื่องเล็กๆละไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอีกต่อไปนะ้นค่อยๆสะสมใจที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ทำให้เราภาวนาไม่เด็ดเดี๋ยวใจที่อ่อนแอเนีนนะ่นั่นพยายามฝึกตัวเองนะทุกวันนะต้องปฏิบัติในรูปแบบ หลวงพ่อพูดท่านเกยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าพระเนี่ยมีข้อวัดข้อวัดหมายถึงมีข้อปฏิบัตินะทุกวันเนี่ยท่านต้องดูแลเสนาสนะดูแลกุฏิอะไรเงี้ยนี่ท่านป่วยหนักพป่วยหนักเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมากวาดเช็ดถูกุฏิได้แล้วนอนจมอยู่ยางน น, ะนะกุฏิในป่าในเขาอะไรเงี้ยใกล้จะตายแล้ว ท่านบอกว่าพอถึงเวลาทําข้อวัดเนี่ยท่านกนําหนดจิตว่าท่านกําลังจะทําข้อวัดใช้มือเนี่ยนะปาดชีฝุ่นที่อยู่ข้างๆตัวไกลกว่านั้นปาดไม่ถึงละลุกขึ้นมาไม่ได้ลนะกําหนดจิตเนี่ยเราทําข้อวัดอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าสัง่งต้องรักษาเศนาสนะแต่มันมีกําลังรักษาได้ช่วงมือเดียวที่ท่านก็ทํานะไม่ใช่ว่ า, าป่วยนั่งนอนซะ ก, กอดเถอะอะไรเงี้ยไม่มี ไม่มีข้อยกเว้นพวกเรายกเว้นเก่งไหมไปวัดใจตัวเองเลยยกเว้นเก่งมากเลยหนาวไปนอนก่อนดีกว่าวันนี้ร้อนเดินไม่ไหวอะ่ะร้อนไปหนาวไปหิวไปอิ่มไปข้ออ้างเยอะเล้จะมาบอกว่าภาวนาตั้งหลายปีไม่ได้ธรรมะภาวนาหลายปีมันนับจำนวนปีอยู แต่นับชั่วโมงที่ปฏิบัติจริงนิดเดียววันหนึ่งปฏิบัติสักเท่าไหร่เชีอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีสติกับวันหนึ่งขาดสติเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันรู้สึกไหมวัดตัวเองไม่ต้องบอกหลวงพ่อก็ได้เม้วันวันหนึ่งเราขาดสติแล้วเท่าไหร่เน้นเรามีสตินิดเดียวเนี่ยเราจะมาบอกว่าธรรมะไม่ดีจริงปฏิบัติแล้วไม่พ้นทุกบอกไม่ได้นะเราปฏิบัติทำไม่สมควรแก่ทา ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเด็กเล่นทำเหยาะเหยาะแยะแยะไม่ได้กินหรอกงั้นธรรมะไม่เคยเสื่อมทีเสื่อมก็คือพวกเราไม่เข้มแข็งในการปฏิบัติถ้าเข้มแข็งแล้วมันก็จเจริญได้งั้นธรรมะไม่หายไปไหนหรอกอไปทานข้าวไป